นโมทัสสะทักขวัโตอราระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมุนารวตติโลกโกติสาธาบุฟังดูราโสตุจนากรมีออกเสธทาต่างหลายภูหุมฟังธรรมสืบต่อไปนี้ตีใดเตเตสนาธรรม ว่าด้วยเรองของกร ม, มาสั์โลกเป็นไปตามกมสืบไปป่ายนาเขาคือปมเหมี่ยวสัทธาตั้งจิตตั้งใจสะดับรับฝังสืบต่อไปปมเหมี่ยวสัทธาวันนี้ก่อหันปมเหมี่ยวสัทธามาหลายเมื่อซึนได้มาจอมทุกปีเขาาคำหนึ่งมาหนังไป ตวปีเตสนธรรมกศธามาหลายโมกานิแล้วก็วันนี้ผมอยกศรัทธามาลายได้ฟังผมอยกศรัทธาเขาสูตรท่าเรา่ใจจื่นใจดีได้มาฟังคอนเนอร์กวลูกผมอยากศรัทธาเขาขึ้นตอนโดยกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภิญญาตาธรรมมา ฟังแล้วมุนหูฟังแล้วเป็นทมตีโกนสูตรเทวาติหันมามนนี่ส่วนหลายเป็นเทวาดาเทวบุตรอยู่ตั้งหลังโกมี เ, <c oughs> เหรอเมียวัทชาเขาถ้าได้ฟังธรรมถ้าได้เตีธรรมตายไปเกิดสวรรค์จันฝ้า มีนางตวีวดาหาปากแวดร่อมอมเป็นปริ ว, งวางฉะนัลมีตีวดาหลายแถนั้นเด็กพิ้นตัวถึงสวรรค์ตัวมือเลียวกว่าหันหาเหียวโต๊ดไ <c oughs> พ่เกิดเมื่อก็มีตวีวดาหาร้ยปันหนึ่งสองรอยสารอยแหวดล่องส่วนหลายเป็นตวีวดาเดวาบุตรก็มีเดวาบุตร <c oughs> อยู่ตั้งหลัง <c oughs> วันนี้เนี่ยมีออกเสธาทอง ไดมาฟังธรรมไดมาไหวไดมาสูดธรรมกับโดยพระคูบาญีโยนยานาธรรมโมอายุห2บสองปีก็ได้ถึงเก่มรณากรมไปพระกูบาต่านเจ้านั่นถือว่าเป็นภูติปมยอกสัทาตีจังตีไกาบานออกในวิ่ง ในเมืองนอกเมืองเคารพเคอบยำนักถือต่างเจ้าเอาใดสีพระคูบาไปนั่นเป็นติเสีได้หมียกสียทาเขากระโจดที่บูสร้างในศาสนากระโจที่อยู่หลอดป้อนคอยยักมาถึงปอดเทาหนี ง, ง่ายๆต้องใจขันติมีความอดกันและคูบาเป็นค่อนใจดี หลายครูหลายค่อนก่อไปตั้งจื้อครูบาใหม่ว่าเป็นครูบาข่าเมียกเครูบาต่างเจ้าใจไวเฮ็ดไวว่าไวแต่ถ้าพ่าอยู่จำแล้วติวว่าครูบาใจดีครูบาเฮ็ดไวกว่าใจว่าวกว่าใจมือไวกว่าใจแต่พอครูบาสูตรทํำเถิงเถิงเมียเขาไว้พระเจ้าไปเจ้าหนีใจที่ขาด พักูบาต่างเจ้านั่นมีใจฮักวัฒนธรรมภาษาศา ส, าสนาของเขาบวชมาตั้งแต่น้อยมีออกศรัทธาเขาตั้งแต่อายุสิบปีสืบมาปวไรสี่สิบสองปีในผาเหลืองนี่ง่ายๆอยู่คือปวใหญ่สิมกาวัดกันคือปวไล็กสิมกาที่ได้หูดทำอย่างมีม อ, อกเขาอยู่วัดใดๆไม้พูดทำกับใครนะ ก็เมียก็ที่ไหวอยู่วัดกินเข่าสุกเขา่ากินเนื้อกินป้าก็คอยนาทากัมไรเมียศรัทธาก็จังหวราะฉะนั้นนี่อยู่วัดหรือเสยอยู่ได้ๆกับมึงไรกินเข้าหัใหญ่ไปกินเข้าศรัทธาก็กัมึงไรศีลธัรมกรรมฐานก่อนที่ไร ห, หมอเปิร์มนมนต์อยากนาปันศีลปันก้อนผีตาย ตีชนะอบรอมก่อนตีไหลหมอ้อปมหมอก็อยู่หมุ่นใจเมียรับเตระกะเจ้าที่อยู่มาปวดเท่านี่มีกี่หลายตนวันนี้เขาได้เสพภกูบาไปก็เป็นติดีสีได้สืบต่อไปวัดพระธาตจอมคำโก้ได้หมองนะเมียออกษัถานเขาใหญ่แบบพิลาศแบบกูบามีขมเมื่อแบบพิแค่ใจนั้นนะ กำตุปีเข้ามองใจโดยเฉพาะตุปีอาย อ, อยู่ตีเฮาแลว้วก็ตุปีทั้งหลายตอนวันนี้ได้ย่อคข้อป่าลีขึ้นมาเนยผมมีออกทัทธาบอหนึ่งว่ากำมูนาวัตติโลกูสัตตโลเป็นไปจอมกำอันเทาเฮาสั่งมาสิ่งสิผม อ, อกากซทธาเขา คำมันว่านั่นกล่องซังกคำนี่เฮาเตรียมเป็นกคำขืนเฮามาจากภาษาปาลีว่ากมำะใส่ไม่การันเข้าไปก็อ่านว่ากคำออกเสียงจอมหมานจมไตก็ออกเสียงว่ากคำเป็นตัวเดียวกันเป็นโดยกคำโดยกคำของเฮาได้เฮ็ดได้สร้าง ม, มาจังห้องว่าสัตตโลหย่อมเป็นไปตามกคำ กัมเนปลมีออกซะถ้าเขาเกิดมามีหูมีตาผมเหมือนกันมีซอบมีเคียวผมเหมือนกันสิเกาะเกิดออกต้องเหม่เดียวกันผมเหมือนกันอันนี้พอสร้างเหตดมาบางคนลึกล้างก่อล้างคนเกิดออกมาห่างมีเป็นดีบางคนเกิดออกมาก่อตุกผานขัดขาดใจบางคนเกิดออกมาก่อเป็นควันติมีรูปห่างพังคิงอันดีดูดีตัว ถูกปูพึงตาแก่ปูหันผูทับหันมันก็เกิดมาหลักหนขอผมทนหูโหนกตาโมแขนหักขาหักโซว่าหากินก็ลำบากอันนี้ใจนับต่อเป็นมาก็เมียัทธาเขาหากเป็นมาตามกรรมหากเป็นมาตามบุญตามบาปที่เราได้ให้ได้สรางสิ่งมีจายหนุ่มคนหนึ่ง ได้ไปไวส้สาถามพระพุทธเจ้าว่าคนเขาเกิดมาหนิเหมือนกันวะอิสังเละแหือคือคนนั้นเปิืงกันเป็นโดยเหตุอันใดเลยแหือคือคนเขานั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้ า, าได้ตีนสนธิทาไว้ผูกหนึ่งห้องว่าจุลกะมะวีพังกาสูอยู่ในปิตะกะพระพุทธาาเจ้าตีนสนาไวว่า ควันเขานั่นเกิดมาตามกรรมเกิดมาพ่อกรรมเกิดมาพ่อบาปพ่อบุญก่อนเขาสิ่งควันอันเกิดมาเป็นคนหังควันมีมุตุ๊กมยาป่อเมยได้ซ่อ้าหวาเฮดหาไว้ดีเกิดออกมาเคอเครื่องนุ่งยองโกวใก็ดีการหัการเห็นก็ดีได้ไปซึกงสร้างเห็นในเมืองนอกเมืองเจ้าชั้นสูงก็มี ปอเม่มีเงินคำอุปัฏฐำมกัมจูต่างแต่เกิด ม, มานั่นควนภูนั่นจาติจะดเดวได้เฮตตาหน้าต่างๆมาหลายผมออกสียงได้ติดได้ตามได้เฮตาาตาน้ต่างๆมาหลายโดยพระราชาบูนั่นจึงสอง่องคือได้มาเกิดเป็นควนจนัดนี่เกิดมาก่อมีสิ่งติอุปัฏฐำมกัมจูมตุกมอยากโดยขึงยองโพใบ เรื่องการกินการยำ่ำควันตีเกิดมาตุกฐานควันตีเกิดมาลาบากก็พ่อว่าเป็นควันมากกินมักตานกรมอมีกศรัทธาควันแทงจํำปกหนึ่งเกิดมาแล้เป็นควันตีมีอายุหมิ่นสันปันตายเกิดออกมาใดอันปีอันค้นตายเดิอนอันค้นตา ย, ยก่อสิ่งกรรมสุดบุญตายไปนั่น ก็พ่อปเป็นควันติมัคคาสัตตั์จิติปุรพระพุทธเจ้าตรีศสนาไว้คนเกิดมาอายุยืนยาวอยู่ได้ถึงร้อยสาวหรือแปดสิบปีขึ้นไปคนหมู่นี่ห้องว่าเป็นควันติมัคคาสัตต์จิตมากรผมมีอักษรทาของคนอันเกิดมาเป็นคนมีรูปหงางผังคิง ดีดูดีตวัวเป็นคัอนงามก็เพราะว่าเป็นขั้นตีมีจิตใจอันพระกอบโดยโตสะอันพระกอบโดยอันเกตดจาใจดําหลาเกิดมาห่างจ้าเกิดมาหลักขนโทนหูหนาตามูมีหูมีตาของงามมือนเกินอันนี้พอเปิดว่าได เป็นควันติมีโตสซาเกตจ่าใจน้ำลายมาปเหี่ยวสะทาพอมาถึงคอหนี้อัติมีปมเหี่ยกสททาหลายผู้หลายคนไข่เถ่งกว่าใดาาตุปีมือเลียวนี้เปิลหล ง, งามก่แหละเขาไปหาหมอเปิลตัดเปิต เ, ปเตียงได้สิงมดงามก่เฮ็ดเฮือมันงามนาหูก่ไปเฮ็ดมันแข็งคนเมืองเขานี่นาแข็งนาะปมเหี่ยวสะทาเขา เขาเกาผอมเหมือนคนไทยคนไทยไวหวหอมโหงอพอมันหงอกมาหลายๆก็ไปยอมมันมันขาวไว้ก็เดียวแต่คนเขาหน้าแข็งพร่อป่าว่าเขาได้เกาผอมจันไว้ภายหลังอีกังหนึ่งเมนยเขาเนอจันไว้ภางหลังแงงห ง, แงเปิดอาหารแล้วก็ดีดูดีต้วยแต่ตีว่าด้วยกคำอันนี้นั่นงามมาแตกในต้องมีออกมาว่าโกเมียกศรัทธา เป็นควันมีโตัวซ่าเป็นควันมากเกลดมักใจดําเปิ่อนงามจานนี่ก็ยังงามอย่าพิว่าถึงจาปนปลายหนาจานนี่ถ้าเป็นควันติมมีตัวซ่มากเกล็ ด, ดํมมดามดำดำป้วงมบ่ากุลกมบ่ากุหลาญลูกห ล, า น, ล, กลานกอกเข้าหาอยู่ตีไหนก็มาหาอยู่เมืองไกลก็บอกมาหาแต่ถ้าก้อหนเป็นควันมากเกล็ดจ้าใจดํา ดาลูกดาล้านอันนั้นในก่กกอกรรมจดใจได้สิ่งนั่นแหละลูกหลานก่อมหาลูกหลานก่มมเต่าถ้าได้เป็นคนผ่านถ้าได้เป็นคนตุกแค้นเหลือใจตัวมีออกสัตยากรรโบราณปานก่อนเขาว่าเขา้าโกมันต่มมามมันผานโกได้ผานเหมือฒาวัวเท่ า, ทามาผานในที่เหตุการณ์สังคมแล้วที่ไปกินจามก่อนก่อมจมัง กพาฉะนั้นนี่คือไหวใจดีใจงามเป็นลูกเป็นหลานกว่าที่เขาหาเป็นลูกเป็นหลานกว่าที่เลี้ยงดูอุปธรรมยามเหมิดเท่าจารามาบางคนเกิดมาเป็นคนัญตีมีเพสติปัญญาบางคนเกิดมาเป็นคนัญตีมีเพสติปัญญาน้อยเป็นคนมีปัญญาอันตุนจ้าก็พ่อเปิดวเป็นคนัญตี ได้เข้าหานักผ่านอาจารย์มาก่อนได้ท่องได้ถามได้ศึกษาหัมเหยนหันตูปีผ้าปีครูบาอาจารย์กอท่องถามโดยคุณงามความดีกองศิลกองบุญเกิดมาก่อจึงให้ถือมีเพียสติปัญญาหลายอันมีเพียสติปัญญาหันตูปีผ้าปีไปไกล มท่องถามมึงไขว่กองศีลไขว่กองบุญพตื่นบีมาเตเตะสนาทานก็เลียนไปนะเมื่อเี้เกิดมาเกิดที่มีปัญญาอันตุ่จากพียกผมพายเห็นดีกว่าระบอันนี้เป็นพ่อโดยกรรมกรมียศรัทธากรรมนี้กรรมนเราได้เปลี่ยนมานั่น ได้พูดมือนอียะผมอยากสัตย์ท้าพ so, <Right. S 1> ูด <iembre ein? S 1> ้วยจิตโดยใจก็เดียวว่าเอาได้เกิดมาเป็นคนมันหื้อเป็นคนงามก่อเหตุใจงามตั้งแต่ปัจจุบันเหมือนเดียวนี้ก็อตีงามไปต่างนาตีเอามากล่าวนี่คือยอมก้านเขาหวัดกำเขากรรมเขาได้เหตุมาได้ย้อนมากันนิยมเขาเหตุสั้งแทงยอมก้านน่ะใจจายนั้นคือใน เฮ็ดคือมันดีเมยืมันดีเป็นคือมันดีหรือเสเก่าเกิดมั่งามอ๋อเฮานี่เกิดมาของมงามเบาขอมไข่ตัวหนาเก็ดคือใจดีใจงามอย่ากปีมีตัวซ่ลายอย่ากปีมีอันมาเกจ่าใจด้านหลายจัดนี้ก่องามจัดน้าก่งามสืบไปไปนะ เป็นคนั้ติอูอ้เกิดมาก่อนสุขคาอยากืุดขันใจเหตุการณ์ของคืนใหญ่เหมือนเปิดก็ดัดเป็นคั้นใจสินใจบุญมากคือตาหนะาต่างตา่องตาหน้าต่างๆอันนั้นตีกั้มเถียงคือได้เป็นคั้นห่างคนมีไปต่างหน้าอันนี้พระพุทธเจ้าตรีชนะไวในธรรมจอว่าจุจลักรมีพรมกสุ กังดีความนั้นเกิดมาแล้วเหมือนผมเอวสะทาเท่านี้มีอยู่สี่จำพวกกับผมเอวสะทาจำพวกติหนึ่งห้องบาตาตัมโตมะปรายานตัโอ ต, ม, ตมะประยายานุก่องว่ามื่นมาแล้วกว็มืดไปมื่นมาหมืดไปเหมือนถือเกิดออกมาเป็นคั้นหนึ่งจากกาตุกขะลำบาก เป็นคนตุกควันขานผังดีละขนำทนอันไหนก็เป็นอันยอมอันไหนก็เป็นอันขาดได้สีสร่างกายเกิดเป็นควันมีโลภะมีโทสะมีโมหะมักเกิดจ้าใจลำ้ำพิษศินพิษธรรมสืบต่อไปเมื่อนี่แทงนี้ตายไปก็มืดไปแบบโกเหมียวสะทาควันโมนี่ห้องว่ามืดมาแลว้วก็มืดไปตะมูมตมะปรายโน แทงจำโปกหนึ่งห้องว่าตามูโจติประรรยนูหมื่นมาละเจียงไปเกิดมาเป็นค่อนตุกขาหยาผืดขันใจนานาต่างๆอันไหนผมดีอันไหนผมงามสำเป็นค่อนมีใจศีลใจบุญไห้ใจดีใจงามเว้นเวตต่างอันผิดศีลผิดธรรมนั้นตายไปจากหน้า อยู่จากนี่กอดสุขอุ่นตุ่นใจตายไปจากนากอดที่ไดไปเกิดตีดีติงามมีสวรรค์จันทราเป็นติไปควันหมู่นี่ห้องว่าตามูโจติปรายานูมืดมาและแจงไปแท่งจำปกหนึ่งโจติโจติปรายานุก็มี อ, อกักษแจงมาและแจงไป เจนมาเจนไปเหมือนหื้อเกิดมาดีทุกอย่างดีทุกสิ่งว่าเขาของเงินคำก็ดีหูบห่างพังกิ้งก็ดีตังอยู่ดีก็ดีมัเจบไหมไข้หนาวสั่งซั่งเป็นคนมีใจศีลใจบุ่นใจดีใจงามมากกินมากตางเป็นคนไหวใจรักษาตามศีลทำกรรมมาถา เกิดมาดีเสินกาตายไปจัณนาข้อไปดีแท่งห้องว่าโจติโจติปรยโนแจ้งมาละแจ้งไปคอนแท้งจำปุกหนึ่งห้องว่าโจติตมโมปรายานุเจ้งมาละหนุนไปเกิดออกมาเป็นขันห่ังดีเกิดออกมาเป็นขันเต็มทนปริปุนนาโดยเขาของเงินคํา ทุกสิ่งทุกอย่างตุกอย่างที่ อ, อ, อันสร้างเป็นขวัญใจให้ใจเมกใจเรื่องเป็นควัญพิสินพิษธรรมผู้ปอดีเม่มักกินมากตามขวันหนุน่นีห้องว่างโจติตามูปรยานุปมหิหกษาเจ้งมาละมื่ไปกันี่ในส่วนของผมหยหกษาเขาหนูเป็นคอนเหมือนือ อันนี้หลวงเก่าก็อแไรอ่ะนะผมอาเสีเท้าคิดในใจก็เดียวเข้าที่หมืดมาห้าที่หมืดไปแข่งห้าที่หมืดมาเลยที่เจียงไปห้าที่เจียงมาห้เจีงไปมันก็ที่เจียงมาห้าหมืดไปห้าอันนี้อยู่ดีตามให้เท่าสิ่งสิอยู่ดีตามของเท้าสิงสิ่งอยู่ดีกรรมอยู่ดีการกระทำของเท้าสิ่งสิพระพุทธเจ้า จึงเทศนาว่ากรรมนาวัตติโลกูสัตลกนี่เป็นไปตามกรรมของตัวเก่าสิสิบเปิอที่เฮ็ดปันขมใดขอมอยากสาัทาวันนี้ได้มาเตะเทศนาเืิปันเวลาถืออ๋อแล้วเตะก็แล้วเตะวตัวนนี้ว่าตึ้งขึ้นเลี้ยวไปไห เลยถามไปก่อนตุกบาลนเป็นั น, นสามตานนาลีสิทานาตีเนาะวันนี้ทางนี่ปอนยัาวะ <c oughs> อ๋อก็ใครฝากปมเ อ, อมี่ยงสัทธาท่านกินหนึ่งเรื่องของการเฮดตังบุญปุติสระไปหาปุติอันสิ่งกรรมสุด บ, บุญไปเหมือนปมเ อ, อมี่ยงสัทธาท่าได้มาสุดรทำกรรมฐาน ได้มาอุติสาพระนาบุญนี่ไปหาพระกุบายีโนญานธรรมโมในวัฏสงสารนี่ผมอยากสัทธามีสาสบเอดโคงวัฏสงสารตีเฮาตายเกิดเกิดตายไปอยู่ตีหนึ่งเลยตีหนึ่งนั้นมีอยู่สามสิบเอดจันมีสาอดโคงอันตีที่ห้าพระนาบุญตีเฮาตามไปหาได้นั่นมีอยู่โคงเดียวผมอยากสัทธาเขา ได้ตายเกิดไปเป็นเพศผมอยากสะทากได้ตายเกิดไปเป็นเพศนั่นสิ่งเดียวกวับจันทิหัพพราอานีสองของเขาใดได้ตายไปเกิดเป็นตีวดาเขาแห่งตั้งศีลตั้งบุญไปตีวดานั้นผมจังไรหับสั้างเลยวังจังไรหับเพราะว่าเกิดไปเป็นตีวดานั่นตีวดากวมีอาหารของตีวดา เขาตามเขาตามพาไปตีเวลาผมจังเลครับก็าตายไปเกิดเป็นสตัตว์นิชันก็กินน้ำกินยากินดิบเป็นอาหารของเขาไปาเขาเฮตั้งสินตั้งบุญไปแล้กวการ่อกเขาได้หักตังสินตั้งบุญนั้นผมหายได้ผมอย่าเสียทาอย่างที่บอกมาหาข้อเฮต์อย่างที่บอกมาหาข้อนติสังตังสินตั้งบุญนั้นอยู่ อุปมาง่ายๆเหมือนดังระกบูบาหีนนนยานาธรรมโมได้สิ่งกลับไปเกิดเป็นติว ด, ดาอยู่ในจันฟ้าเขื่องปริคานผู้ตานา น, านาต่างๆเขาได้ติดได้ตานบนนั้นกูบาผมจังหับได้กูบาหับได้แต่กูบาหู้ได้พูได้จือก็หู้ได้ว่าโอ้ผมมี อ, อกศรัทธา วานไก่จำจิมวานดอกในเวงตังสงยังคิดถึงกุบายังโจรกันมาสุดทกำกรรมฐานยังโจรกันมาติดตามปันภาคกูบาอันนี้ภาคกูบาหู้ได้ภาคกูบาก็จังใจดีสาธุอนุโมตนาไวหาลังมากก่อมากปิมพักภักษาผมมี อ, มอักษาข้อนี้อุ ป, ปมาไงาย เหมือนปมเี่ยงสัทธาเขามีลูกมีหลานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไปคืนองค์เห็นสอดได้จอบจั้นสูงจอบจั ng ài, grain, ้นจอมจั้นตะกัโตเขาอยู่ตั้งเฮือนเขาได้ยินข่าวปมเอี่ยงสัทธาเขาจังจอมจืดยินดีปมเอี่ยงสัทธาก็จอมจืดยินดีเหมือนกันแต่ตัวปมเอี่ยงสัทธาก็ผมได้รับอุปมาอันเดียวกันนี้ กมยศธาควันตีได้เสียงกรรมสุบุรณไปเกิดเป็นตีวบุตรีวดาเฮาตานไปหาเขา ไ, ได้หับนั่นก่อเขาตีหู้ได้อยู่ลูกหลา น, น, นคิดถึงเขาลูกหลานนั่นใจติดเขาแหละได้แห่ตั้งศีลตั้งบุญไปหาเขาเพราะฉะนั้นเฮาได้ติดได้ตานอย่างหนึ่งภาการได้ก็ดีคิดถึงปีคิดถึง น, อน้องกมยศของเฮาอันเสียงกรรมสุบุรไปนั่นบอกไหน ก่อคิดถึงเขาบอกไหยก่อเฮือดีซานหน้าบุญตาไปหาเขาเขาได้หักเขาได้หู้วายหลังมากก่อจังตีมาปิมปัดหักษาลูกเตาลล้งเลนของเขาเขามีทำถูกหนึ่งตีเอาเตะคนตายนั่นจีว่าอาหนี้สองสองเขา่าผ ม, มอยากสัตหาบมีสถีก็หนึ่งมีลูกใจก็หนึ่งเป็นตีหักเหมือนด่งแก้วตาดวงใจ อายุก่อมได้สิบห้าสิบพปีก็ได้เกิดเป็นปยกที่โรคภัยใครเจ็บอันใหเ้เสียเลไดเสียงกรรมสมบูรณ์ไปปอกอเป็นอันโศตุบมองใจจัดส่อง่าการเอาไปฟังไห้ตีป่าจ้าตามประวินีแต่ก่อนแล้วก็ได้เตียงคือควันใจก็หนึ่งเอาเข้าไปส่อง วันในศาลต่าไปเจ้าตั้งวันไปละตุกวันออตุกวันหืดหันต่อเข้ามาในปีหนึ่งควใจนั่นก็เอาเข่ า, ามือไปเจ้าฝันสั่งโต๊ะมือกางขึ้นนานองที่คามนำมือกล่มไดที่ขามนำมือติไปเหวี่ยงนั้นกล่อมใดหันพิกคู่เจ้าได้เตียวบินทบารมา ก็เลยเอาเข้านั่นใส่บาปฝันพิกุเจาเ้าแหละตั้งใจว่าเออหลูกใจปลอสถิอมไรกินกอได้ตามฝันตุกปีเขาย่าออุทารานอาบญไปถึงเอาล่ต้องให้ขาคืนนั่นหลกจใจอันตายเกิดเป็นเพศอยู่ในป่าจ้าผีดิบนั่นก็ได้ไปเ้าฝันปอก็ว่าปาอเ อ, อ้ยเมื่อหลูกยังอยู่นี่ใครกิน อันแคบอันจังอันซำอันบ้านใครนุงใครยองอันไดนปอบ่หาปันทุกสิ่งทุกอย่างก็เตว่าตายก็เป็นนปีหนึ่งเย่าอยู่ก็เดียวตุกๆุกอย่างอยู่ในป่าเหี่ยวที่นั่นปอบผมสองเขาปันกินก็หาได้กินเมื่อวานนี้ตาเดียวก็มาเข่าปันปอบปูเป็นปอตกใจตื่นขึ้นมาก็จึงได้ห้องฟันใจมาถาม โกเมลสถานว่าคือไปส่องเข้าวันในสีสามตามสออามตาหนิไปส่องอาไปส่องอยู่ค้าไปส่องสามตาทุกวันก้เอยเตว่ามื่อวันวานี่ฝนตกน้ำนองตีคำน้ำเมื่อติปา จ, จ้านัหนิได้เสียเลได้หันพี่คู่เจ้าเตียวบิณฑบาตมาก็ได้เอาข้าวนั่นใส่บาตรในผาถนาคือไปถึงหูกดายก้อยคำได้เมื่อส่องขาด พอสักทีก่อหู้เหมือนอันเราก็ไปไหว้สาถามพระพุทธเจ้าว่าการตีอุติสานาบุญไปหาค้นตายนั่นที่ได้อุติสาถึงจังที่ได้หักพระพุทธเจ้าถึงตีชนาว่าการแห่ตั้งศีลตั้งบุญอุติสาไปหาค้นตายนั่นคือใดตานเก่ผิกู้สังฆาเจ้าตอนมีศีลปลอมียสาทาเอาออกไปซองไปตําไไ้ มือนก็กไปหยาดน้ำหยาดน้ำเอร์โกลวก็มีตีคันตังตีป่าเหียวตีไหนเสก็ดีอันนั้นตามหีตามกองพุทธศาสนาของเขาว่าไปมไหลถึงไหลนาบุญ้นจังถึงได้เหมือนก็ก็เอาไปปั่นไว้ตีป่าเหียวเหมือนก็เอาไปซองไว้ไปหยาดน้ำหนอกบ้านก็มีหยาดน้ำหนอกบัดก็มี นี่มอนตุบีประหยัดน้ํประหยัตีนไหนปยัดก่าตังอยาน้ากลางตังก็มีเลี้ยวในเวงอย่าไปน้ำต่อแห่ในอเหยวสทากลดกางมันหลายาิน้ำกลางตังลวก็วันจันทร์นมขี่มาไว้ันนี้ตายก็ดีเพราะฉะนั้นการแหตั้งศีลตั้งบุญอุทิศไปหาคนตายนั่นคืออะไรแห่ต่อตุพาสังฆาจาตอนมีศีปอเหนียวสะทาอันนี้ก็นามาบอกเก่า เด็กผมหยอกสทัทาติป้อตียอมันอีหนึ่งผมหยอกสทัทาได้มาสุดทั้งวันนี้ได้ต่างจิตต่างใจเป็นพระราณาบุญกับตัวกับใจของผมหยอก ส, สัทาสิมกาเอาได้โจนกันอุติสถานาบุญบุญตาอันนี้ไปถึงยังพระคุบาปพระคุบายยีโน์อนยาณธรรมโมอันใดเสียงกคำสุบุญไปแต่เจ้าได้ไปอยู่ฐานาตีตันใดก็ดี คือมียกศรัทธาตัง้งจิตตั้งใจคือนาบุญกุลตานอห น, นี้ไปกั้ไปจ่อยพระกูบาแมนว่าจิตตัวหูใจวิญญาณของพระกูบานันไปเป็นตีว่าพูดตีวดาอยู่ในจันทผ้าจันทร์อมคงใด้คงนึ่งก็ดีกูบาเกาะตีหู้ได้ว่าก็เมี อ, อกศรัทธาต่งหลายจนกันมาสุดนำสุดธรรมผู้ติศาราบุญไปหากาะตีเยื่อใจแต่ที่ได้มาพิมพ์ปัดอักษร ตอนโตผมียกศรัทธาอยู่ดีกินหวานสืบต่อไปไปนานและเจสนารรใบนี้นั่นตีสุดตีซอยว่าโดยสรุปขอดไปก็รรมูนาวัตติรูโขสรุนเป็นไปตามกรมอันเขาเฮ็ดเขาสร้างโดยตัวโกเดียวผมียกศรัทธาขาดอันไห น, น อยอมอันไหนมันแจ่มทนอันไหนก็เหมือนทีได้เตศนาไปนานะคือเมย์เปลี่ยนโตเก่าดูดีขึ้นงามกว่าแค่ถืองามมีกว่าแค่ถือมีมันแข็งกว่าแค่ถือมันแข่งเป็นการเตียงกันเมฆกรรมของเขาสืบไปไปนานเตศนาวาสาเนตีสุดท้ายแห่ธรรมะเตศนานี่เขาก็มีออกสัทธาตุกภูทุกคนอยู่เล่าซาดีอยู่ดีกินหวานมังมุนตุนเต้า การผงผงเริงในธรรมศาสนาของพระพุทธเจ้าคือประกอบไปด้วยจจตุรกรสี่พระการมีอายุวันณะสุขาปราเหมือนกันตุกภูตุกคนคียาเตชณาอย่างธรรมอันจุวาสัตโลกเป็นไปตามกันนั่นก็สารเจโบรมูลกาลาโบลเต่านี้ก่อนแล